เว้นบาปเหมือนเว้นยาพิษและทางมีภัยพระพุทธภาษิตวานิโชวะพยังมักคังอั ป, ปะสัตโทมหัตโนวิสั้งชีวิตตุกาโมะป่าปานิปริวัชเยแปลความว่าบุคคลพึงเว้นบาปเหมือนพ่อค้าผู้มีพวกน้อยมีทรัพย์มากเว้นทางที่มีภัยและเหมือนบุคคลผู้รักชีวิตเว้นยาพิษเสียฉะนั้นอธิบายความได้พนานา ม, มาแล้วในเรื่องตน้ตนๆว่า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 การศึกษาที่ลงทุนลงแรงกันก็เพื่อให้คนเป็นคนดีการทำบาปเป็นค่าศึกับความเป็นคนดียิ่งทำบาปมากเท่าใดความเป็นคนดีก็ลดน้อยลงเท่านั้นทุนรอนที่ลงไปในการงานศึกษาก็เสมือนศูนย์เปล่ายิ่งมีผลร้ายเสีอีกเพราะศึกษามากฉลาดรอบรู้มากแต่จิตใจไม่มีทำย่อมหาโอกาสทาบาปได้มากเกียรติยศเป็นสิ่งสาคัญในชีวิตคนเพราะทาให้สบายใจในสังคม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 ผู้เว้นบาปทำความดีมีใจบริสุทธิ์ปราศจากทุลีคือกิเลสย่อมมีความสุขฉันนั้นการระลึกถึงทำเว้นบาปและทำความดีเพื่อทำอย่างนี้ท่านเรียกว่าธรรมาธิต์ไตยประการที่5เมื่อเริ่มเว้นหรือละบาปในครั้งแรกอาจใช้วิธีตะทางขะประหารคือการละเป็นครั้งคราวเช่นการเลิกสูบบุหรี่ทีรแรกอาจสูบบ้างเลิกบ้างเพื่ออย่างกำลังดู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 สมุดเฉดประหารแปลว่าละโดยเด็ดขาดอันหนึ่งวิธีการละความชั่วหรือบาปทำทั้งมวลย่อมดำเนินตามหลักคือเห็นโทษอาดีนวังปสติบันเทาวิโนโนเดติจะให้สิน้นบยันตีกรโรติมิให้เกิดขึ้นได้อีกอนภาวังกเมติพานานาวิธีละความชั่วมาพอสมควรแล้วต่อไปจะได้กล่าวถึงเรื่องประกอบ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 ภิกษุทั้งหลายพ่อค้าผู้มีทรัพย์มากย่อมเว้นทางที่มีภยัยมีโจรภัยเป็นต้นอ น, นึ่งบุคคลผู้รักชีวิตย่อมเว้นยาผิดเสียฉันใดภิกษุทั้งหลายก็เช่นกันพิจารณาเห็นว่าพบทั้งสามเป็นเช่นกับผลทางที่ถูกโจรส้มอยู่แล้วควรเว้นกรรมชั่วทั้งหลายเสียดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าวาณิโชวะพยังมากังเป็นอาทิมีนัยะดังพนานามาแล้วแต่ต้น